บุ๊ก2 <bookstore> 48ฟาร์เด็กออกกิจกรรมระหว่างการพักร้อนเฟรี่ใหญ่อักติวาโรยหาดทรายสะอาดไหมชุลพลาโจเอสตาสปูระเล่นน้ำที่นั่นได้ไหม ชูออนิพบาสนาจิเท่เล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือชูเนสตาสดันเจรนาจิทขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมคะชูลูเพเนบลาสซุนอมเบโลจิท่ขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมคะชุลูเพเนบลาสคุชเซจโจท ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมคะ Chu l p o e b ดิฉันอยากเล่นกระดานโตคืน Mi v o l ดิฉันอยากดำน้ำ Mi volus l o n g ดฉันอยากเล่นสกีน้ำ Mi v o l อั a v o s ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมคะชูลูเพเนบลัสซร์ฟทับลเขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมคะชูลูเพเนบลัสฟล็องจ์เอกิปาจ์ขอเช่าส ก, กีน้ำได้ไหมคะชูลูเพเนบลัอากวอสคิโอ่ดิฉันเพิ่งเริ่มหัดมีเอสตาส์ูร์คอมเมนซันโต ดิฉันพอเล่นได้มีเอสเตอสเมสบอนะดิฉันเล่นได้ดีมากมียัมซูฟิเช i e n e เ p e r t a s สกีลิฟอยู่ที่ไหนที่เอสเตสล้สกีลิฟตตคุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่าชูวิคคุณพ์ติสลาวสกีอย่อิน คุณมีรองเทา้าส ก, กีมาด้วยใช่ไหมชุวิคุณพอร์ติสและสกีชวย